นักศึกษาธรรมะโดยมากกล่าวเห็นว่ายังเข้าใจผิดกันอยู่มากมีอะไรโผล่ขึ้นมาก็าคิดจะหักหารทำลายล้างไปเลยความคิดเห็นฉนั้นกล่าวเห็นว่าไม่ถูก เปรียบเหมือนคนกินไข่ไก่บางคนอาจไม่รู้จักตัวไก่ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ขาดวิชาพอได้ไข่มาก็จะทุบ ก, กินเสียหมดถ้าคนนั้นเข้าใจวิธีฟักไข่สมมุติว่าได้ไข่มาสิบฟองกินเสียห้าฟองเอาไปฟักให้เป็นตัวไก่เสียห้าฟองถ้าหามันเกิดเป็นลูกไก่ขณะที่ฟักอยู่นั้นเปรียบเหมือนพบขณะที่ลูกไก่พ้นจากเปลือกไข่เรียกว่าชาติ ถ้าลูกไก่ออกจากไข่ได้ห้าตัวต่อไปหลายๆปีเข้าเกล้าก็เห็นว่าคนที่เคยซื้อไข่ไก่มาบริโภคจะต้องได้ประโยชน์จากไก่ของเขาได้กินไข่โดยไม่ต้องซื้อเมือ่อละกินก็ได้ขายเป็นสินค้าลักษณะเช่นนี้คนนั้นก็รอดตัวในการใช้จ่ายชั้นใดในการบาเพยญสมาธิก็ฉั น, นั้นผู้ที่จะพ้นจากภพก็ต้องเข้าไปอยู่ในภพ ที่จะพ้นจากชาติต้องรู้เรื่องเกิดของตัวจึงจะเป็นไปได้เมื่อได้กลับเปลี่ยนท่านอย่างนี้ท่านก็เข้าใจแสดงความเลื่อมใสประโมทเป็นอย่างยิ่งท่านจึงได้พูดว่าคำพูดของคุณแปลกจากพระธรรมฐานองค์อื่นพูดแล้วแม้เราจะทําไม่ได้ไม่ถึงก็เข้าใจได้ชัดแจ้งไม่สงสัยพระจันทร์มัน่นพระจันทร์เสาที่เคยอยู่ใกล้ชิดกับเรา เราก็ไม่ได้ประโยชน์เหมือนคุณมาอยู่กับเราเรารู้สึกมีสิ่งแปลกใจหลายอย่างขณะนั่งต่อจากนั้นรู้สึกว่าท่านสนใจนั่งสมาธิได้นานๆบางวันนั่งได้ทั้งสองชั่วโมงขณะที่ท่านนั่งท่านก็ให้เราพูดธรรมะให้ฟังประกอบไปด้วยเมื่อจิตของท่านได้ตั้งสงบดีแล้วเราพูดธรรมะถวายพระเดชพระคุณท่านรู้สึกว่าจิตของท่านเป็นไปตามคําพูดของเรา วันหนึ่งท่านได้พูดขึ้นว่าเราได้บวชมาเป็นเวลานานไม่เคยเกิดความรู้สึกอย่างนี้เลยหลังจากนี้เราไม่เคยพูดธรรมให้ท่านฟังยืดยาวอย่างนี้อีกเลยเพราะเอ่ยขึ้นเพียงสองสามคำท่านก็รู้ในความหมายส่วนตัวเราก็ดีใจวันหนึ่งท่านได้กล่าวขึ้นอีกอย่างหนึ่งว่านักศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมะต่างมาติดข้องกันอยู่ แค่ความคิดเห็นนี้เองจึงไม่สามารถทำอะไรให้สำเร็จดุล่วงไปได้ถ้าทุกคนมีความคิดเห็นถูกต้องการปฏิบัตินั้นเป็นเหตุไม่เหลือวิสัยในระหว่างที่อยู่จมามัสากับท่านก็รู้สึกว่าเบาใจในการที่จะต้องชี้แจงเหตุผลท่านได้บอกเราว่าแต่ก่อนเราไม่เคยนึกว่าการทำสมาธิเป็นของจาเป็นเมื่อเป็นชนี ท่านได้รับสั่งอีกว่าพระเนนก็ดีญาติโยมก็ดีประโยชน์ยังไม่พอขอให้คุณช่วยหาโอกาสอบรมให้ด้วยต่อจากนั้นท่านได้สั่งพระเทละผู้ใหญ่ในวัดให้ทราบความประสงค์จึงได้เกิดมีการอบรมกินขึ้นที่สาราอรุพงศ์ในปีพศ2495ได้มีญาติโยมพระเนนหลายวัดมาร่วมรับการอบรมด้วย คุณเท้าสัตยานุรักษ์ก็ได้ออกมาพักยุกติเนคข่ำปฏิบัติจิตใจได้ผลดีมีความรู้เกิดในจิตแปลกประหลาดจนกระทั่งยอมเสียชีวิตอยู่ที่วัดบ ร, รมีวาสพอออกพรรษาแล้วได้รับท่านไปเที่ยวตย่างจังหวัดเพราะอาการกองสมเด็จค่อยทุเลาลงกลับมาอยู่วัดบ ร, รมในปีที่สองได้เข้ามาทําวิสาขบูชาในวันนั้นได้เข้านั่งในโบสถ์ทำสมาธิได้ปรากฏเหตุการณ์อีก คือเห็นพระบรมธาตุเสด็จเพราคืนนั้นได้นึกว่าเราตาลูกเล็กอยากได้ตาโตโตมองทางไกลๆกลได้ร้อยเส้นพันวาหูเราเล็กอยากได้หูโตโ ต, ตฟังได้รอบโลกปากเราเล็กอยากได้กว้างเทศกันเดียวให้กล้องอยู่ห้าวันห้าคืนนึกอย่างนี้จึงตั้งใจปฏิบัติตนเองในอาการ3มอย่างคือ 1. ปากใหญ่ คืออยากกินมากพูดมากในวันสำคัญ 2. หูอยากโตคืออย่าไปสนใจฟังเรื่องราวที่ไม่เป็นสาระตัดปากอดข้าวตัดหูอย่าไปรับรู้อะไรหมด 3. ตาโตคืออย่าเห็นไก่นอนเมื่อนึกอย่างนี้จึงไม่ยอมนอนในวันวิสาขะประมาณตีห้าเศษได้พระวรมธาตุหลายองค์ที่โบสวอัฏป ร, รมิวาด ต, ต่อมา ได้อยู่จำมังสา ก, กับสมเด็จอีกปีนี้ญาติโยมแตกตื่นสนใจมากกว่าปีก่อนแต่ปรากฏมีเหตุไม่ดีเข้าแทรกเพราะมีพระบางองค์เกิดอิจฉาคอยหาเรื่องราวตัดรอนทำร้ายให้เสื่อมเสียแต่ไม่อยากออกนามในที่นี้ใครอยากทราบรายละเอียดขอให้ติดตามไปถามท้าวสัตยานุรักษ์หรือสมเด็จวันหนึ่งตอนค่ำหนึ่งทุ่มมีพระองค์หนึ่งชื่อพระโคบาลตเทียนเข้าไปหาในกุฏิ พูดค่อยๆว่าอาจารย์อย่าน้อยใจผมสนับสนุนอาจารย์ทุกอย่างตอบว่าสาทุกมีเรื่องอะไรขอให้ทราบไม่เคยคิดน้อยใจเสียใจถ้าจึงบอกความจริงให้ทราบทุกอย่างว่าเรื่องนี้รู้ถึงสมเด็จแล้วถ้าสมเด็จสงสัยคงเรียกตัวมาถามถ้าเรียกเมื่อไหร่ให้ไปบอกผมผมรู้เรื่องของอาจารย์หมดแล้วในที่สุดสมเด็จก็ไม่เคยพูดสักค ไม่เคยถามสักอย่างมีแต่สนทนาธรรมะเป็นนิดได้มีบัสสนเทศ เ, ศเกิดขึ้นมีใจความว่าพระครูธรรมสารชอบแต่งคัมภีร์พระอาจารย์รีชอบคุยกับแม่ออกมหาเพรมหัวงอกอยากเป็นสมพานหลวงตาปานขี้คุยธรรมะหนังสือสนเทศฉบับนี้พระครูธรรมสารได้ถูกซักไซ่เกือบแย่คือหาว่าพระคูเป็นคนด่าเราในที่สุด เราไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยดูเหตุการณ์ต่างๆรู้สึกไม่เหมาะสมหลายเรื่องแต่เราไม่สนใจพอออกพรรษาแล้ววันหนึ่งมหาณลงได้มาเยี่ยมสมเด็จแล้วลงมาขอจดหักฐานจากบายสุติเสร็จแล้วไปเรียนสมเด็จว่าจะขอสมณศักดิ์ให้เป็นพระโคซึ่งสำนักงานมหาม ก, กุฎได้ทาบถามมาสมเด็จได้เรียกตัวไปถามว่าเขา ว, ว่าอย่างนี้เราว่าอย่างไรจริงตอบว่ากล้าวเป็นพระ ไม่จําเป็นไม่อยากเกี่ยวข้องในเรื่องนี้แต่นายจะไรมานึกถึงแต่การสร้างความดีให้แกมูขคณะเท่านั้นท่านจึงพูดว่าเราจะตอบเขาเองต่อมาท่านได้เล่าคําตอบให้ฟังว่าพระจารย์ลีนี้เธอมาอยู่กับเราเพราะเราเป็นคนเรียกตัวมาเธออยู่ด้วยความเคารพนับถือเราพวกท่านจะมาตั้งสมณศักดิ์ให้เธอเราถือว่าจะมาไร่พระาจารย์ลีนี้หนีไปจากเรา ท่านว่าท่านจะตอบอย่างนี้เราก็สาทุพอใจในที่สุดก็ยกเลิกกันไปในปีนั้นต่อมาออกพรรษาสมเด็จบรรเทาป่วยก็ได้กราบลาดเดินทางออกไปวิเวกอีกตามเคยปีนี้เป็นปีครบรอบหนึ่งร้อยปีในการที่ได้สร้างวัดสุ ป, ปัตมนารามจังหวัดอุบลสมเด็จได้รับสั่งว่างานนี้ให้คุณขึ้นไปช่วยเขาฉันจะให้พระบรมธาตุที่เธอถวาย ไปเป็นเครื่องรดลึกของวัดด้วยพูดแล้วท่านให้ตรวจดูพระบรมธาตุบนที่บูชาซึ่งอยู่เบื้องบนศีรษะท่านปรากฏว่ามีพระบรมธาตุเสด็จมาอยู่ในครอบแกว้วเป็นจำนวน40พระองค์จึงได้ยกมาถวายท่านท่านรับสั่งว่าแปลกตั้งแต่ระบวดมาไม่เคยปรากฏอย่างนี้จึงให้คัดเลือกเอาของเราและของคุณไปด้วยเมื่อได้พูดสั่งอย่างนี้ ก็ได้ตั้งใจไปฉลองพระคุณท่านงานสมโพธิระสุ ป, ปัตยครั้งนี้ได้กลายเป็นงานใหญ่โตขึ้นทางราชการได้มอบเงินให้ข้อนหนึ่งเพื่อเป็นการฉลองวัสุ ป, ปัตยครั้งนี้ได้กําหนดการออกเดินทางจากจังหวัดพระนครวันที่18มีนาคมในหมายกําหนดการมีจอมพลผินจุนหวันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและพลโทหลวงสวัสดิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธาน ก็ได้ร่วมไปในงานนี้วันหนึ่งได้เดินทางไปจังหวัดระ บ, บรุรีแล้วได้ทราบข่าวว่ามีการเปลี่ยนแปลงวันกําหนดการจึงได้รีบกลับมาจังหวัดพระนครเมื่อมาถึงสมเร็จได้เรียกตัวเขาไปหาแล้วว่าเขาเปลี่ยนแปลงกําหนดบนเดินทางแล้วให้คุณออกเดินทางไปตามขาบวนเขาฉันจะมอบพระบรมธาตุไปให้เป็นภาระของตัวส่วนตัวเองไม่ได้พูดว่าอย่างไรในที่สุดกลับมาตองดูเหตุการณ์ที่โกตะแล้ว เราจะทําตามไม่ได้จะได้กลาวเปลี่ยนท่านว่ากล้าวไปไม่ได้เพราะใบกําหนดการซึ่งกระทรวงได้กาหนดขึ้นเป็นตาขุดว่าวันที่17จะตั้งให้ประชาชนชมมาบัดนี้ร่มโครงการหมดเจ้าแจกใบกําหนดการไปแล้ววันที่17คงมีคนมามากเมื่อก้าวไปเสกร่อ ก, ก็ต้องถูกตําหนิเหตุนี้กล้าวจึงไม่ไปพระผู้ใหญ่ตาเก็จะไม่ไปคือนายชาวเป็นคนก่อเหตุ ไม่ได้แจ้งให้คณะสงทราบคือเรื่องมีว่าจอมพลผินได้ปรบว่าเราค่อยๆเดินทางไปพักที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อพอระกาศให้คณะทหารตำรวจข้าราชการและพ่อค้าประชาชนได้มีโอกาสนมัส ก, การพระบรมธาตุเส่นหนึ่งคืนก่อนเหตุนี้กำหนดการจึงปิดไปใ น, นที่สุดในกระบวนแรกก็ไม่ได้ไปด้วยเพราะท่านสั่งว่าให้คณอยู่ถ้ามีคนมา ให้อาภป ร, รมธาตุให้ชมที่สาราก็แล้วกันเป็นอันตกลงกันตามท่านสัง่งวันลงขึ้นได้จัดพระปรมธาตุสีมุกดาหารสามองค์โตกว่าเมล็ดประกาศไปใส่ภาชนะแก้วให้ญาติโยมชมที่สาราอุรพงศ์คนนั้นคนนี้ก็อยากดูเพราะไม่เคยเห็นพอเปิดสัมลีิ์ออกเห็นสามองค์คนนั้นก็แหย่คนนี้ก็จีบเลยหายไปสองค์หรือเพียงหนึ่งองค์พอถึงวันที่สิป ก็ได้ขึ้นรถ ด, ด่วนไปจังหวัดอุบลมีคนติดตามไปรวม14คนพอไปถึงจังหวัดอุบลแล้วก็ได้ไปทำพิธีฉลองสมโพธพร้พอมทั้งฝังเสดาเลิกตึกมหาเถระที่จะสร้างขึ้นในวัสุ ป, ปัติอยู่มาค้นหนึ่งได้มีปรากฏการขึ้นในเวลาประมาณสี่ทุ่มเศษกำลังนั่งสมาธิอยู่ในโบสถ์เวลานั่งหลับตาได้เกิดแสงวาบว่าบขึ้นเหมือนแสงนีออนเปิดเปิดับ ด, ด, ดั บ, ดบ ต่างคนต่างพากันดื่มตาขึ้นก็ปรากฏว่ามีคนเก็บพระบรมธาตุได้ส3สาคนพอดึกเข้าก็มีประมาณมากข้าทุกทีมีคนนั่งอยู่ประมาณ50คนจักให้เกิดความสงสัยและเจ ง, งนสนเทะแก่คนภายในและภายนอกโบสถ์โดยลำดับเมื่อดึกพอสมควรได้หยุดพักรุ่งขึ้นเวลากลางวันก็มีเรื่องอื้อฉาวขึ้นในตาลาดได้มีชายคนหนึ่งซึ่งไม่เคยเข้าวัดเลยมาเล่าว่า เมื่อคืนฝันเห็นดาวตกที่วสุ ป, ปัตย์เยอะแยะนึกว่าคราวนี้ถ้ามีสิ่งใดศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาก็ขอจงได้แสดงออกมาต่อมาตอนเย็นมีนายพิษประมงจังหวัดได้นำเพื่อนครูหญิงคนหนึ่งมาหาครูคนนั้นได้มาสนทนาสอบถามอย่างโลดพผลและจะขอราสามีเขาติดตามหลวงพ่อเพราะหลวงพ่อพูดธรรมะเป็นอย่างอัศจรรย์จึงตัดสินใจว่าจะหนีจากบ้านให้ได้ในคราวนี้ ส่วนสา ม, มีของเขาชื่อในประสงค์ทำงานอยู่ธนาคารอมสินจังหวัดอุบลเป็นคนนับถือคิดศาสนาก็เข้าใจว่าภรรยาเป็นคนมีจิตผิดปกติจึงคอยติดตามอยู่เสมอมีคนมาบอกว่าเขาถือคริสตจะทำไมมานั่งอยู่ในโบสถ์ทั้งผัทั้งเมียครูคนนี้เกิดจิตใจห้าวหาญขึ้นมาได้เขามานั่งใกล้เราประมาณสองศอกตัวเรานั่งบนเก้าอี้สา ม, มีนั่งห่างไปประมาณห้ากศอก มีคนนั่งอยู่ด้วยประมาณห้สิบคนจึงได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าวันนี้ขออำนาจ ส, สิ่งศักดิ์สิทธิ์จงช่วยข้าพเจ้าเพราะมีข่าวลือเกี่ยวกับพระบรมธาตุเกิดขึ้นว่าพระอาจารลีมีอุบายหลอกลวงให้หลงเชื่อพอทราบข่าวอย่างนี้ไม่มีที่พึ่งอันใดนอกจากเทพเจ้าและ ส, สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะช่วยได้หากมิฉะนั้นแล้วพระพุทธศาสนาจะได้รับการโดมินเหยียดยามขณะนั้น มีพระอริยะคุณาทานนั่งอยู่หน้าพระประธานพระนอกนั้นนี้หมดเพราะเป็นเวลาดึกแล้วต่อจากนั้นได้สั่งให้ทุกคนนั่งเข้าสมาธิและพูดว่าถ้าใครไม่เชื่อให้นั่งดูอยู่นิ่งๆเพราสักครู่หนึ่งก็รู้สึกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาวนเวียนอยู่รอบๆก็ได้บอกยมทุกคนให้ลืมตาขึ้นและบอกในประสงค์สามีกูคนนั้นว่าลืมตาดูอาตมาอาตมาจะรุกขึ้นเดี๋ยวนี้ พูดเสร็จกระดุกขึ้นจากเก้าอี้ยืนสบัดจีวรและอาสนะให้เขาดูขณะเดียวกันก็นึกถึงเทพ ย, ายดาให้ช่วยอย่าให้เขาดูหมินศาสนาของเราได้และพูดดังๆว่าโยมพระบ ร, รมาธาเสด็จคนที่นั่งตรงหน้าฉันนี่จะได้ประทาตแต่เมื่อลืมตาแล้วอย่าไหวตัวฉันเองก็ไม่ไหวตัวพูดเสร็จได้ยินเสียงวัตถุชิ้นหนึ่งตกลงบนพื้นโบสถ์มีโยมหญิงคนหนึ่ง ลุกขึ้นจับตะคบเมื่อตะคบเขาวิ่งดุจจากหน้า ม, มือมาใกล้ที่นั่งเรามีคนอีกคนหนึ่งวิ่งตามมาเราจึงรองห้ามไว้ต่อมาวัตถุนั้นได้เล่นไหวตัวไปตรงหน้าหญิงที่เป็นครูจรึงพูดว่าของคุณนายประสงค์ดูให้ดีครูคนนั้นยิบวัตถุนั้นขึ้นมาเป็นหัวแหวนสวยงามสิ่งนั้นคือเครื่องสักการะพระบรมธาตุครูคนนั้นบางคราวก็รับตา บางคราวเขาลืมตาแต่เขาพูดว่าหลวงพ่อพาฉันเป็นนั่งบนยอดเขาฉันนั่งเห็นแต่โครงกระดูกของฉันเองแต่ฉันอยู่ได้อย่างไรได้เงินเดือนเดือนละห้ารอยบาทไม่มีสุขเหมือนนั่งอยู่เดี๋ยวนี้แกได้พูดประแกลขึ้นทุกทีใ น, นที่สุดคือวันนั้นมีคนได้พระบรมธาตุไม่ต่ำกว่าสิบคนทุกคนลืมตาดูในที่สว่างทั้งหมดเมื่อสว่างเช้ามืดมีนายแพร ได้กำเอาพระบรมธาตุมาถวาอีกหนึ่งชุดเขาบอกว่าได้มาเมื่อคืนนี้ซึ่งเหล่านี้ได้มอบไวเป็นสมบัติของวัสุ ป, ปัดงานคราวนี้มีห้าวันห้าคืนวันหนึ่งเป็นวันถวายพระไตรแก่พระที่เป็นในงานคนในเมืองอุบลที่ยังสงสัยเราอยู่มีหลายคนแต่เขาไม่พูดเปิดเผยคนที่เปิดเผยคือแม่ทองมลูลเสียสกุลแก่อธิษฐานว่าถ้าชติองค์นี้ ปฏิบัติดีจริงขอให้พระไตของแก่ตกแก่พระอาจารย์องค์นี้เมื่อทำการจับสลากกันแล้วผลปรากฏว่าพระไตของนางถามลได้ตกกระดับจริงจริงาองานนี้เสร็จเรียบร้อยก็เดินทางกลับกรุงเทพได้เที่ยวจาริกไปในสถานที่ต่างๆถึงเวลาเข้าพรรษาก็ได้มาเฝ้าสมเด็จอีกตามเคยพรรษานี้นาการณภาพของสมเด็จหนักมากขึ้นการนั่งสมาธิมีน้อยมีแต่นอนทำ พอมาออกพรรษาแล้วสมเด็จก็มรณาภาพในระหว่างพรรษาสมเด็จอาพาธมากหืดกําเริบนอนไม่หลับวันหนึ่งเวลาประมาณตีสองได้ให้พระมาตามเราพระเนนบุ่นวายไปตามๆกันท่านสั่งให้ไปรับหมอมาดยเร็ ว, เ, รวเจ้าคุณสุมเมธีให้พระไปตามโดยด่วนให้เรามาพูดกับสมเด็จเพราะพระองค์อื่นพูดไม่เชื่อเพราะเป็นเวลากลางคืนดึกเดินจะไปทำหมออย่างไร จึงได้ขึ้นไปถามดูว่าวันนี้ประเดชพรคุณฉันยากี่เม็ดดีเวลายาอะไรท่านรับสั่งว่ามีอาการหายใจไม่ออกได้คํำดูตามตัวปรากฏว่าร้อนเผาจึงจับได้ข้อหนึ่งว่าท่านฉันยากเกินไปหนึ่งเม็ดหมอสั่งให้ฉันเวลาละหนึ่งเม็ดท่านขี้เกียจฉันสองคนเลยฉันรวบทีเดียวสองเม็ดอาการกระจุกแน่นหายใจไม่ออกเราจับเหตุนี้ได้เรียนถวายว่า อาการอย่างนี้เคยพบผ่านมาไม่เป็นไรอีกประมาณส5บห้านาทีจะสงบสักครู่ท่านก็รับตาทำสมาธิพระเน้นพ่ออยู่หลายองค์ท่านรับสั่งว่าสบายดีแล้วไม่ต้องตามหมอต้องมาอีกรายวันโรคเกิดกำเริบอีกตอนนี้ออกพรรษาแล้วอาการป่วยหนักขึ้นมีอากาศเย็นเป็นเวลาฤดูหนาววันหนึ่งตอนเชา้าท่านให้เน้นไปตามเรากำลังมีแขกเน้นก็มาบอก ท่านถามเนนว่าอาจารย์ลีอยู่ไหมเนนตอบว่าอยู่ถ้าอยู่ไม่ต้องมาเราสบายถ้าไปนอกวัดให้ไปตามมาตอนมาบ่ายประมาณห้าโมงเย็นให้เนนไปดูอีกแต่เนนไม่ได้บอกเราเรากําลังนั่งสมาธิเนนมานมัส ก, การว่าท่านอาจารย์ลีอยู่ต่อมาครู่เดียวเวลาประมาณหกโมงเย็นเนนมาตามอีกตอนนี้เราจึงรีบขึ้นไปเมื่อขึ้นไปพบแล้ว ท่าก็ได้รับสั่งอะไรหลายอย่างเกี่ยวกับวัดพอเสร็จการพูดสนทนาท่านก็เงียบเราลงไปพักสักคู่เดียวก็เกิดเอเอะนขึ้นอีกจึงรีบขึ้นไปมีพับปฏิบัติหนึ่งเจ้าคุณทำปิดอกหนึ่งมองดูอาการเห็นจะไม่ไหวพระเนนต่างพากันแตกตื่นหมอก็วุ่นวายในที่สุดดูอาการป่วยของท่านเห็นว่าหมดหวังจึงพูดห้ามหมาว่าอย่ายุ่งคือหมอเอามือล่วงคอเอาเสล็ดออก แต่ไม่เกิดผลจึงห้ามให้หมอหยุดสักครู่ก็เส้นลมหายใจเมื่อได้ชำระศพเรียบร้อยแล้ ว, ลวต่างคนต่างหาลรือซึ่งกันลกันวันรุ่งขึ้นเตรียมการส่งน้ำต่อมาคณะกรรมการสงได้ทําบุญสวายคณะกรรมการส่งได้มอบให้เราเป็นเจ้าหน้าที่โรงครัวก็รับปากกับคณะสง์มีคุณนายตนกัญญวิทย์เป็นผู้ช่วยในระหว่างเจ็วันแรก ไม่มีการเบริกจ่ายเงินจากกองกลางเลยมีแต่คนช่วยทำบุญอยู่ถึงห้สบวันในระหว่าง50ิบวันนี้ได้เบิกเงินกองกลางมาจ่ายบ้างเมื่อทำบุญห้สิบวันเสร็จแล้วนึกว่าเราจะต้องไปวิเบกพักผ่อนบ้างจึงได้ออกเดินทางไปจังหวัดลำปางในวันที่สิเมษายนเนื่องในงานโภคพัทธสีมาวัดสจำรานวาิวัดแล้วได้ไปทำบุญอยู่เป็นเวลาหลายวันเสร็จงานนี้แล้วได้เข้าไปพักในถรำภัสสบาย รอกระเพาะเกิดกำเริบมีอาการถ่ายท้องปวดท้องเป็นกำลังมีข่าวลือ ม, มาถึงจังหวัดลำปางว่าหลวงพ่อแย่วันหนึ่งได้เข้านอนในข้างในเห็นก้อนหินก้อนหนึ่งจุกอยู่ปากถ้าสูงประมาณสิบวาจึงเกิดความคิดอยากจะสร้างเจดีย์ในถ้านี้ให้ร้องสั่งให้ญาติโยมผักก้อนหินก้อนนี้ให้หลุดออกจากปากถ้าหินก็หลุจริงๆช่วยกันขุดหลุมตีต่อยหิน จนถึงเวลาบ่ายประมาณหนึ่งโมงมีรถจนจากลาปางไปรับว่ามารับไปโรงพยาบาลแต่เราหายแล้วไม่รู้ตัวได้บอกเขาว่าจะสร้างพระเจดีย์ก่อนจะกลับจากถ้านี้ได้ยืนหน้าถ้ามองไปทางที่ตะวันตกเฉียงใต้มีทิวป่าเขาเขียวชอุ่มเมื่อเห็นต้นไม้เขียวสดดีก็นึกถึงต้นโพว่าถ้าได้มาปลูกสักสามต้นจะดีมากได้พูดกับพระเนนอย่างนี้และเอเดินทางกลับลาปาง แล้วเดินทางมาจังหวัดอุตรดิตถ์เพราะมีโยมขึ้นไปตามให้กับอุตรดิตถ์ดวนเพราะมีสิทธิ์แก ค, คนหนึ่งอายุมากเป็นหญิงได้เกิดเป็นโรคจิตฟุงซ่านมาหลายวันได้มาพักช่วยเหลือให้อยู่พอสมควร <c oughs> ก็เดินทางมาพักอยู่จังหวัดพิษณุโลกพักอยู่ที่วัดราชบูรณะใกล้บ้านบุตรบุญธรรมคนหนึ่งเรื่องบุตรบุธรรมนี้น่าเล่าสุขกันฟังแต่เป็นเรื่องที่ผ่านมานานแล้วตั้งแต่ครั้งไปจำพรรษาบ้านผาเด่น แสนกันดาในคราวก่นอนแม่คนนี้ชื่อเฟินสามีชื่อมหานอมวันหนึ่งได้ไปอบรมสมาธิอยู่วัดป่าอรัญญิกไกลจากจังหวัดพิษณุโลกประมาณ6กิโลเมตรมีข้าราชการพราา่อค้าประชาชนไปนั่งสมาธิกันหลายคนอาธิผู้กำกับการตำรวจหลวงสัมฤทธิ์หลวงชืน่นคุณเกษมร้อยเอกแพลวล้วนเป็นผู้ภากฝ่ในธรรมะปฏิบัติ ขณะกำลังนั่งสนทนาธรรมะกันอยู่ก็มีคนไปตามบอกว่าข อ, อนิมนต์ไปเยี่ยมคนป่วยที่บ้านก็ได้รับปากกับเขาผู้กํากับการตํารวจได้นาไปสง่งให้ถึงบ้านคนป่วยเมื่อไปถึงบ้านเขาเขารล่ว่ามีาพระธุดงค์องค์หนึ่งเดินทางมาจากภาคเหนือมาทําน้ำมนต์ให้ท่านบอกว่าฉันรักษาไม่หายดอกโยมจะมีพระองค์หนึ่งมาโปรดโยมในเร็ ว, เวนี้แล้วท่านก็เดินธุดงค์ต่อไป พอมหานอมทราบว่าเรามาก็ตามไปจนพบได้สนทนากับมหานอมเขาเล่าว่าแม่ฝืนภรยาเขาคนนี้เป็นโรคเกิดในสมัยอยู่ไฟได้ป่วยมาเป็นเวลาสามปีแล้วฉีดยาหมดเงินไปแปดพักว่าบาทแล้วก็ยังไม่หายนอนอยู่อย่างนี้มาสามปีแล้วลุกไปไหนไม่ได้พูดไม่ได้หนึ่งปีแล้วแม้จะไหวตัวก็ไม่รอดเมื่อได้ฟังมหานมเล่าแล้วก็ตอบเขาว่าฉันจะไปดู พอเราเดินผ่านเข้าในธรณีประตูเห็นคนป่วยยกมือไหว้เราไม่นึกว่าภาวะเขาเป็นอย่างไรได้นั่งสมาธิแม่เืินได้พูดขึ้นสองสามคำแล้วไหวตัวยกมือไหว้จนกระทั่งลุกขึ้นนั่งหมอบอยู่กับมอนได้ก็บอกว่าให้หายหมดเวรหมดกรรมวันนั้นสั่งให้กระยิบไม่ขีดจุดบริถวายแกก็ทําได้วันดวงขึ้นสั่งไม่ให้ใครพอนข้าวให้หาข้าวหาแกงวางไว้ เขากินได้เองสามีเขาเองเป็นผู้ปัสถวายอาหารเราพอกลับมาถึงบ้านเห็นแม่เฟินกินข้าวหมดล้างถ้วยชามได้เรียบร้อยลุกขึ้นขานได้พอตอนบ่ายไปเยี่ยมอีกเห็นญาติโยมของเขายิ้มมอหายไปบ้านมหานมว่าจะไปเอาน้ำมนต์วิเศษเมื่อเห็นดังนั้นเราก็ลำบากใจจึงรีบออกหนีเดินทางกลับแต่ได้มีจดหมายถามข่าวคราวอยู่เสมอประมาณเดินเศษแม่เฟินลุกขึ้นเดินได้ ปีที่สองไปวัดไสรบาดได้ปีที่สได้ติดตามมาอยู่วัดบรมนิวาสเดินจากหลําโพงถึงวัดบรมเดินจากที่พักขึ้นสาราฟังเทศได้เป็นปกติดีนี่เป็นเรื่องที่น่าประาดาบอย่างหนึ่งในสมัยที่เดินทางจากจังหวัดอุดรตระกูลนั้นได้เดินทางไปจังหวัดเพชรบูร์เพื่อไปเยี่ยมศิษย์ซึ่งเป็นท้ากัมนักอยู่ที่อำเภอลำเก่า มีนายอำเภอปินเป็นผู้อุปการะได้พักผ่อนไว้เวกอยู่พอสมควรก็เดินทางเข้าดงขึ้นเขาลงห้วยไปหลายคืนตกถึงเขาลูกหนึ่งต่อจากนั้นได้เอาอเดินทางไปตามเดินเขาเดินทางไปถึงเขาสูงลูกหนึ่งมีป่าเต็งลังโปรกมองเห็นยอดเขายอดหนึ่งสูงเรี่วเขาเรียกว่าเขาหอส่วนเพื่อนได้เอาเดินทางไปลูกหน้าเราเดินตามหลังพอไปถึงเขานั้น รู้สึกว่าใจสบายนึกไปถึงสมบัติอันหนึ่งซึ่งเป็นเหตุเด ว, วิสัยว่าเราอยากจะบินไปยอดเขาหอยืนตัวตรงสะายบาดอยู่ครู่หนึ่งได้เคลิมฝันเห็นก้อนเมฆลอยต่ำลงมาจากอากาศได้ยินเสียงดังแบวเบวว่าท่านอยาดนึกถึงคราวเป็นเองแล้วนิมิตก็หายไปเวลาเดินทางคราวนี้คิวน้ําจัดที่สุดรอบรอบทางเดินมีแต่ฝูงหมาจิ้งจอกเพราะห่างบ้านคนมาก เขได้เดินทางเรื่อยมามาพักอยู่บ้านวังน้ําใสเดินพุ่งไปข้ามห้วยข้ามดงเมื่อพ้นจากดงก็ถึงภูผาวิ่งซึ่งเป็นสถานที่ที่พระอาจาร์มั่นเคยมาพักอยู่ที่นี่มีถ้าและเขาเล็กๆได้พักอยู่หลายวันระหว่างพักอยู่นี้วันหนึ่งเวลากลางคืนเงียบสงัดนั่งสมาธิแล้วเคริ้มไปคลายลืมตัวปรากฏเหตุการณ์ขึ้นว่ามองเห็นยอดเขาสูงยอดหนึ่ง มีต้นมาอยู่หลายต้นอยู่ทางทิศตะวันตกของผูกระดึงมีบุรุษคนหนึง่งรูปร่างใหญ่โตสูงนุ่งผ้าเหลืองแก่เอามือคว้าบุญอากาศเราไปยืนอยู่ใต้ตักแระแกบอกว่าต่อไปนี้มนุษย์จะลำบากจะเกิดโรคตายด้วยน้ำเป็นผิดน้ำเป็นผิดนี้มีอยู่สองชนิดคือ 1. น, น้ำหมอกน้ำค้างเมื่อตกรถลงมาในนาคุณภาพของข้าวจะเสื่อมคนกินอาจเกิดโรค สเกิดจากน้ำฝนถ้าพบน้ำฝนแปลกอย่าชันให้สังเกตดังนี้กน้ำฝนสีแดงขอน้ำฝนสีเหลืองมีรสผิดธรรมดาน้ำฝนที่มีลักษณะดังนี้ถ้ากินเข้าไปจะเกิดถ่ายท้องเกิดเป็นเม็ดผื้นคันถ้ากินมากเข้าก็อาจทีงแก่ความตายนี้ข้อหนึ่งข้อ2องแก้มือชี้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเห็นน้ำทะลุขึ้นจากแผ่นดิน น้ำนี้ไหลไปถึงไหนมนุษย์จะเกิดโรคภัยค้าเจ็บถ้าใช้น้ำนี้ลดผลไม้ผลไม้จะเกิดโรคอายุมนุษย์จะสั้นเขาทุกทีข้อ3ได้ปรากฏเหตุการณ์ันยอดเขาพอแกยื่นมือออกไปทางไหนต้นไม้ทางนั้นก็หักเป็นนาวจึงถามว่าเรื่องอะไรแกตอบว่าผู้ใหญ่ที่ไม่มีสินธรรมจะลำบากในการข้าหน้าจึงได้ถามว่าเรื่องราวอย่างนี้แก้ได้ไหม แกตอบว่าโรคที่เกิดจากน้ำแก้ทันไม่เป็นไรถ้าแก้ไม่ทันต้องตายภายในสามวันห้าวัน9้าวันถามว่าตัวอตมาจะเป็นอย่างไรแกตอบว่าตัวท่านไม่เป็นอะไรเพราะท่านรู้จักบญคุณของผู้ใหญ่จะบอกยาให้หนึ่งขนานถ้าท่านทราบข่าวว่าโรคเกิดขึ้นที่ใดให้รีบไปช่วยโดยเร็วจึงถามว่าท่านบอกยาให้เขาเองไม่ได้หรือแกตอบได้แต่ไม่เกิดประโยชน์ แต่ท่านต้องประกอบยาเองให้เอามะขามมาปอกเปลือกออกแช่น้ำเกลือแล้วรินน้ำให้กินโดยจะใช้น้ำก้เทียงดองกินอาการโรคก็จะหายแต่ท่านต้องทำเองเขาบอกต่อไปว่าเขาชื่อสันจิตโจเทวบุตรเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นเมื่อพศ2496พอออกเดินทางจากปูผาบิ้งมาพักอยู่ที่ตาบลหนึ่งชาวบ้านบอกเล่าเหตุการณ์ที่แปลกปรลาด คือเมื่อคืนนี้มีหมอกไหลผ่านไปในส่วนปญยามายาร่วงรถไปหมดอีกครั้งหนึ่งที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางชาวบ้านได้รองน้ำฝนมีสีชากินตายไปสิบกว่าคนทั้งสองเรื่องที่ได้ฟังรู้สึกว่าแปลกเพราะตรงกับเรื่องที่ได้เคยฝัน